มกราคม 2507ณมะปะบางปางจังหวัดอุดรธานีกุกุฏจารย์มี 2 คนเราต้องเหดหมู่คุกของหมอหมอพุทธทายนาคุกุฏธานาความติดตามนา รู้ความมีความแค่กินอย่างแข็งแกร่งคงคมดุจดรีดตียบยากในวงตกของคําเล่นและพุทธัง กุขกลุ่มความทุกข์คือความไหลเหลวกแต่ละความกระแสหนึ่งๆกุขคงคลพกุขกลุ่มความไหลเหลวกและแสดงขนต่างๆกันเป็นกลุ่มคงคลพได้ยืนความทุกข์เข้าในใจ ความทุจริตทั้งหลายย่อมได้เกิดในลกะทั้ง 3 ไม่มีจุดขึ้นมาได้ก็เป็นผลพลกุกุเข้าใกล้อยู่กับไกลความนานาประลูกสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นของทุกข์และไม่สามารถจะแก้ได้ 4 สาเหตุ องค์กรนั้นเป็นต้นเหตุที่ทุกข์ซึ่งเป็นตัวขนงามงามอยู่ภายในสิ่งใดขององค์กรนั้นครบครบและรู้โดยจดที่ไม่มีเหลือเลยภายในเท่าภายเมื่อตรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผล จึงเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติเป็นศรัทธาภะคะวาอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติเป็นศาสดาของโลกโดยสมบูรณ์พร้อมทั้งหลายถูกตามพระเดชพระพุทธเจ้านี้จะเป็นการยากลําบากที่มาก คือการเผยแผ่แต่ก็มีช่องทางเดินที่ประพฤติจารตรงที่เหนือไว้แล้วแม้มีความทุกข์ลําบากหลายด้านหลายทางเหนียมอย่างประพฤติจารผู้ไม่มีทางสั่งสอนโทงได้ก็ต้นพบ ในข้างหลังแม้จะเป็นความทุจริตได้ในการประกอบตนตัวเองแต่ก็ยังมีที่ที่ของในทางทางเดินที่แฝงแห่งธรรมะทั้งทางศีลและทุกข์พระพุทธเจ้าก็แสดงที่ระลึกได้นอกจากจะพยายามละเว้นตามทางที่เป็นสายศีล ที่จะดําเนินตามทางถูกคู่คงและในทางอะไรทํานั้นก็ไม่มีการลําบากมากผงผ่องผ่องนั้นก็ก็ฝากคงอ่ะถ้าจะเถียดไปต่อมาภายนอกเป็นไรจะถูกบ้านถูกเรือน ในครั้งผู้จะทําด้านเรียนก็ได้เรียนวิชาข้างหน้าอย่างพอดีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่เฉพาะบ่งแลความยากในการถูกบ้านถูกเรียนทางเพ่งกลเป็นวงแคบๆและก็อยู่ นักทรงสิ่งนั้นมันประกอบขึ้นด้วยยศนี้และประกอบทั้งนั้นหนักบ้างเบาบ้างไม่เพียงทํางานเท่านั้นนายจําเป็นจะต้องวิ่งเป็นคนถวายแต่หาหลักพิทักษ์อะสีหะตัวไม้มาจากที่ไหนองค์พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นหลายจะต้องรับเรียนหลักพิทักษ์และหลักพิทักษ์นั้นก็ไม่มีใครค้ําปองพระพุทธเจ้าเอา อภิปติเจ้าเป็นครูขององค์เธอเองออดที่ปราณและกาลก็ต่ออยากจะนำเองศาสดาของพวกอย่างต่อพวกใหญ่มีความทุกข์ทรมานมากที่จะรอที่ตามพระเดชพระธุจาโดยมีทางทางอยู่แล้วนี้ อัมมาแปลว่ามีสิทธะธรรมขันธ์คือคงคือไร้ทุกข์ทั้งล้วนแต่เป็นธรรมที่จะแสดงเฉพาะจิตบกพร่องของแต่ละบุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากปานน้อยเท่านั้น ที่ธรรมกลับไว้เป็นหลักอริยสัจจะจําพระสัจจังมีธรรมย่อๆดังกุบบุบตะโมทัยมีโกรธมรรคนี่ต้องเงินเข้ามาให้มีอย่างย่อๆพอนี้ แต่เมื่อจะขยายหลักให้อริยสัจธรรมทั้ง 4 นี้ให้กว้างขวางตามความเป็นไปของสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจ 4 นี้แลโลกกว้างขนาดไหนโลกมีจิตพบเรื่องของอริยสัจธรรมทั้ง 4 นี้จะกระเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ไม่ว่าโลกธาตุจะกว้างแคบขนาดไหนอายตนะจะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกธาตุที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นๆเช่นยกภพขึ้นในเรื่องต่อคําว่า จะไม่อยู่ในสัถ monastery ห่างใดนอกจากจะอยู่ในสัทค sais from what we i had now เธ้高 Ask His dear, ocyst typhalia and fatigue был Isaiah teak The other, …… оно individuals ao強 site. poems from the past or wherever we are, TONS never of. search for time. Follow the 사람� externs in the future. Wake up and hath indians. Jur is not only where the assassins are found.ичес queste kind. All the discur영 are has been there. Vikings. See theから now forever. beni that are inside. But H Casa.lnial… Summer and inside. donate my country bers terminal. Yer. Wow. nhmol. This is not a granite key. Come oninformation.im nail.ы so happility is here. Condisol nhưng không to all their business. It is not to godaches รูปทุกข์จะไม่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ตามสถานที่ที่กามมาแล้วนี่แหละแต่จะมีอยู่สับๆไปทั้งฐานที่มีใครครองเท่านั้นนี้ธรรมะกับแต่ทั้งฐานที่มีใครครองนั้นในไตรโลกธาตุที่กามภพยุกามะโลกรูปะโลกอรูปะโลกนี้จะเต็มไป ด้วยกันและทั้งขานคู่ไปตรองทั้งนั้นการแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอํานาจมากกว่าน้อยกันไปไฉนคงแห่งกรรมที่ทําไว้มากน้อยต่างกันเป็นมนุษย์และโลกทั้งเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับด้านและ แม้แต่สักก็ต้องมองถึงกันแต่อยากอธิบายต่างๆรายละเอียดแต่ถ้ายังรวมอยู่ในด้านลัทธิพวกปรโลกอรูปโลกไม่เกี่ยวกับด้านลัทธิแต่ก็เป็นภพของสักก็ประเภทหนึ่งธรรมะสักนี้หมายถึงธรรมะเป็นคู่อย่างคล้องอยู่ในโลกทาน ทั้ง 3 เกรดอย่างนั้นแต่ว่าผู้องค์ข้อนอกจากนั้นยังมีภูมิต่ํายิ่งกว่านี้ไปอีกอันเรียกว่าพวกเกรดอัตถิกายน์กับนเรศที่ก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัฏฏ์นี้ครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า 3 ระดับทั้งฐานที่มีใจครับ เมื่อสัตว์และสังขารอันเป็นภาชนะของทุกข์มีอยู่ในสภาวะที่ใดพบได้เรื่องของทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์และสังขารตกประเภทนั้นๆในภพนั้นๆเพราะฉะนั้นธรรมว่าทุกข์จึงเป็นธรรมธาตุที่กว้างขวางมากมาย นอกจากเด็บทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นเหตุทุกข์ทุกข์ทางใจมีทุกข์อยู่ 2 ด้านมีการในเรื่องของกิเลสเรื่องของสมัยไทยรู้ความบกพ้องในตัวเองไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสับสนขึ้นในในเรื่องความผิดเพราะฉะนั้นความบกพ้องของคน ที่ขอบคุณจากความไม่ฉลาดในวิถีรักษาตนเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพบอย่างง่ายๆที่เห็นกันด้วยตานี้อ่ะเช่นดังคนเรามีรูปร่างร่างกายตัวและให้ชื่อว่าคนเหมือนกันเกิดความโง่ความฉลาด ในอุบายวิธีที่จะกลับตรงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ครบจบในครอบครัวมาหาทรัพย์บกต้องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนั้นมีความโง่ความฉลาดไม่กำหนดกันเท่านั้นเรื่องความทุกข์จึงมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้ ได้เป็นความบกท้องของแต่ละครอบครัวนี้ท้องแต่แต่ละบุคคลรับสมบัติเงินทองของเจ้าของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอัตภาพและดิ้นแต่ละครอบครัวมีเป็นสิ่งจําเป็นที่มนุษย์เราทุกๆลูกทุกๆนามจะต้องอาศัย และอุปาวิธีที่จะต่อแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ละบุคคลและครอบครัวนั้นย่อมไม่มีความพรั่งพรอททั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ตามใครหลังเมื่อสมบัติอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นมาจากความพรั่ง อุปาลีคู่ของผู้แสดงหาไม่สมบูรณ์แก่คู่นั้นและภรรยานั้นจึงเป็นเหตุให้บกพ่องในเครื่องค้าในตองหากหาการได้พกสมบัติเงินทองเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์พอกับความต้องการของธาตุขันธ์ ผู้ขออาศัยเป็นประจำทุกวันแลเรื่องของทุกข์จึงจะปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้นๆเรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอบายัติที่ต่างๆของแต่ละบุคคลที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ อุปายวิธีมีความฉลาดเคียงข้องกําลังบังชาก็เกิดขึ้นจากความฉลาดแม้ตนทําไม่ได้ก็ต้องมีอุปายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้คนอื่นทําหน้าที่แทนเป็นลูกจ้างเป็นต้นมาทําหน้าที่แทนเราในข้อเกลือหรือวงงานนั้นๆจึงทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นก็เป็นปราดาเดชสมุติเพราะอํานาจแห่งความฉลาด อุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางแห่งความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ท่านเรียกว่ามรรคถ้าไม่ฉลาดรอบคอบในอุบายวิธีที่จะแสวงหาความสมบัติมาไว้ในครอบครัวนั่นท่านเรียกว่าสมโถไทยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความบกพร่อง อันเกี่ยวดงกันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นนี้ทุกข์มีซึ่งข้อเหตุของความบกต้องผู้คุณหมอนั้นนี่ท่านกล่าวถึงเรื่องสมุทัยมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนเมื่อสมุทัยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในหลายๆในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อย ตามแต่ท่องทางของธรรมเป็นไทยธรรมเป็นไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเหตุให้ทําให้ความฉลาดทั้งนั้นจะมีกําลังมากน้อยธรรมว่านิโรธนั้นน่าจะความสงบเตรียมร้อยในภพถุดเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิธีที่จะแสวงหาทัพสมบัติโดยถูกต้อง ครอบครัวนั้นๆก็มีความยากจนยานยนต์สวยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์อาหารเพียงทานได้ร้อยพานมีผ้าห่มจะเป็นเครื่องยนต์คนไทยรถรถยาน 3 ล้ออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเครื่องพาหนะเลยเกิดขึ้นมาจากวิธีที่ฉลาดทั้งนั้น ในครอบครัวนั้นก็มีธรรมล่มเย็นเป็นทุกข์คุกที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกต้องขัดแขนก็ไม่มีมีท่านก็เรียกว่านิโรธะเป็นธรรมดับทุกข์ได้ในครอบครัวไม่เดือดร้อนเหมือนครอบครัวอื่นผู้คนก็ได้ทำบกต้องความไม่แก่แต่ท่านผู้ ฟังทั้งหลายโดยมากเพียงได้ยินว่าทุกขสมุทัยนี้โลดมรรคทั้งนั้นบางอาจเป็นเหตุให้ค้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่าณสถานที่ที่ใดก็ต้องยกเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ภักตร์ทั้งหลายเมื่อปรารถนาขึ้นแสดงธรรม แล้วเป็นเหตุให้บรรดากษัตริย์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโศกเศร้าพินิจไตร่ตรองเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่ความที่จึงหาเป็นเช่นนั้นหน่อยมีเป็นความเข้าใจผิดของคู่ต่างๆแต่เรื่องเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามตั่วขาตามธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้ ก็จากกรุงเทพฯมาเลยถึงหมู่แม่ตรงนำมาชี้ตั้งแต่เรื่องสุดความบกพร่องของสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีอุบายวิธีแก้ไขความบกพร่องของตนเพื่อความสมบูรณ์จะได้เกิดขึ้นทั้งนั้นขึ้นที่เรื่องครอบครัวตามที่อธิบายฐานะบิดา อันมาทุกข์ไม่เที่ยงจบวะทุกข์ภายในกันเรื่องของกายก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตามมีลำมีลาก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานก็เป็นทุกข์หิวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์ร้อนไม่มีน้ำอาบก็เป็นทุกข์สิ่งที่ธรรมอาจจะไขเรื่องทุกข์นี้ต้องขึ้นอยู่กับ การแสวงหาของแต่ละบุคคลที่จะนํามาเยียญยันแก้ไขทุกข์ที่มีอยู่ในจิตหน้ากายให้ได้บรรเทาหรือหายไปฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงที่เรื่องของทุกข์ให้เราทั้งหลายได้ศึกษานั้นก็คือที่เรื่องของผลต่อความทุกข์เป็นสิ่งที่กลับทั้งหลายไม่กลับผันหลังเช่นนี้แล้วก็ทรงทฤษฎีการและ ตนรู้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ให้ตามก่อนเห็นครอบครัวไหนมีความทุกข์เป็นคนแทนหาเช้ากินเย็นก็ไม่พอพอปากพอท้องนี่เป็นเถนก็ต้องเป็นเพราะความเกลียดชังความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโทษกรรมและเป็นเพราะธรรมแห่งถ่ายของตนเอง ไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะต่อต้านอุปสมบทมาให้ถึงความสมบูรณ์ในทัศนะเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสับสนด้วยความขยันอย่างเพียรและธรรมเท่านั้นต้องคิดถึงนี้แม้นทุกข์จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องคิดถึงเรื่องของเหตุเพราะว่าทุกข์ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเจตนาสมัครใหม่ตัวเองก็ต้องเป็นผู้แล้วต้องคิดถึงเรื่องของความสุขเพิ่มความสุขในภาพถูกนี่จึงเป็นเป้าผมความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความพละและความขยันอย่างเพียรในหน้าที่ปฏิบัติงานเมาเอาก็สุขไม่ละเลยในหน้าที่ปฏิบัติงาน อ้าศรียายศัทธุกั kavram Bringing something. เรื่องอารียศัทธิก็ต้อง been, 그냥 lo정nelleกเหน均 seri if to have a bepathon. ก็ต้อง serves because of the of these dumb ones. probable gendera is as subtle as possible. ก็ promises of the bald ones that exist and that makes the type. จริウ scrape CONSULT lands of the gradans, cafe yahoo ooo Professionals in apparentity is where its drawn out lies in the world เมื่อตรัสรู้ความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้และแนะนําสั่งสอนบรรดาพุทธบริกรรมทั้งหลายก็เพื่อให้รู้จิตบกต้องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไขจิตที่บกต้องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นโดยวิถีอุปาต่างๆทุกก็จะกลาย เริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นเหมือนกันเรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยปิดกลางและหาให้ปรับด้วยอํานาจแห่งมรรคปฏิทา 4 วิธีการดําเนินซ้ายขวาหาสิ่งผสมอ่ะเพราะฉะนั้นคําว่าอริยสัจธรรมทั้ง 4 นี้จึงเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายครอบคลุมในจิตใจของมรรณะกะ รับผูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์แต่ทั้งขันธ์เหล่าคําว่าอายตนะไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้คนจะพกไปนิพพานเสียทีเดียวภูบกพ้องอยู่ในจุดใดภูอยู่ในฐานะใดภูมิใดบกพ้องอยู่ในจุดใดก็ตรงซึ่งสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในตนแห่งความบกพ้องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นใน ความกำลังความสามารถของคู่นั้นที่จะแก้ไขตัวด้อยเช่นพูดอยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเห็นความหนาวความร้อนความ 피เดียด ที่ท่านเป็นของมนุษย์ผ้ายิ่งกว่าสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนจนให้มีความถูกและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีใดก็พยายามปรับตรงวิธีนั้น ให้มีกินอย่างนี้เป็นต้นงั้นนอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อหารายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการทานเสื้อต่างๆว่าให้มีมัคคันดีตา คตถาสาธิคือถ้าความนี้จักประมาณมีอยู่ในฐานที่ใดบุคคลใดฐานที่นั้นบุคคลนั้นก็เป็นภูมิทางเจริญอ่าสมมุติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้เพียรเพ่งขวนขวายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจัดการทรัพย์ทรัพย์นั้นเจริญอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้น ซึ่งทําการเตรียมและทบทึกไว้เหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเรามันต้องในวิธีเก็บรักษาอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องใช้มาตรฐานลิกาถ้าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่หนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาไว้เครื่องปู่หรือที่เหมือนกัน สิ่งนั้นก็คือนักศึกษาครับเราจะเก็บไว้ในตู้ใดถีบใดหรือเรียกกำปั่นเล็กก็ตามแต่ถ้าความมนึกักประมาณไม่มีถ้าความมนึกักประมาณไม่พอเสียดสีให้ใจแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นเครื่องสังหานครับทั้งหมดและสังหานกำปั่นใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยเหล่านั้น ให้เขียนถึงราคาขายไปไม่ติดในไม่มีกำหนะนั้นการธรรมมะมัคคันธิตานั้นจึงเป็นธรรมจําเป็นและมีความมั่นคงมั่นแน่ยืนยาวกําบันอย่างใดเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็พอได้ถ้ามีมัคคันธิตาเท่าฉลักเท่าเลยวันนี้เราหาเงินวันนึงเราหาเงินได้แค่ แล้วการจัดการค่าทับนอนนั้นเราจะทรัพย์ประมาณเท่าซึ่งจะพอดีกับธรรมจําเป็นและค่าเสื่อมนั่นถ้าเราท้ายนี้จะประมาณสัตตมรรคซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ของมีที่เราจ่ายออกไปก็นํามาทําประโยชน์ขนาดไหนเราได้รับความสุขทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอนุปบุญใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้ เรียกว่าไม่เสียทั้ง 2 ทางยิ่งเพราะอำนาจแห่งการดับได้ความเป็นภูต่างประมาณ 7 ประการสักกาไม่เจ็บได้เป็นตัวเองเกิดความเจ็บเคลี้ยงรับดึกความทุกข์และไม่ท้ายเปลี่ยนไปเป็นไม่อะไรเหลือภายในกระเป๋าหลักภายเป็นความดับแน่นอนอะไรนิพพานเรียกว่าอลักขสัมปทา ตนผู้มีธรรมสมบูรณ์และรอบคอบในการปฏิบัติวิธีการที่อธิบายมาที่การเจตัสถายพอเป็นอุบายยุทธวิธีที่จะทําสมบัติของเราให้มั่นคงและจะทําเราให้มีความดกเด่นแต่ถ้าทําแบบตรงกันข้ามแล้ว มันหมดเสียไปฉะนั้นเลศนั้นน่ะไม่สู้เท่าแต่ลัทธินิสัยที่เคยเป็นคนนักกลับกลายเป็นลูกที่ได้นั่นแหละเป็นหลักการเป็นสิ่งที่จะทั้งหานโทษกับทั้งหลายแม้จะมีมากยิ่งกว่าที่เราเคยท่าสะกาดก็จะเสื่อมทวินอุปราทานไปไม่กี่วันเพราะนิสัยที่ลูกที่ล้านนี้เป็นคือจะขาดสําคัญ สำนึกกับตัณหากัดกินนักเงินต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งมากและน้อยให้ขิบหายไปได้โดยไม่เปลี่ยนดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจัดการท่าทัพของตนเองจึงเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่เป็นหามานานา เมื่อเราได้ปฏิบัติตามมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทั้งนี้แล้วเรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครบทุกข์จะมีใครสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความกลับแค้งก็มาอยู่เพราะเรื่องของมรรคคือปฏิบัติธรรมอุปายวิธีแสดงให้ทราบครับเรามีพร้อมอยู่แล้วในเงื่อนไขทั้งธรรมนิโลธะที่ทําล่มเย็นเป็นสุขในภรรยาก็มี นี่เป็นอริยสัจก็ประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวยอกเยือกใครเป็นผู้มีความล้มลงเป็นติดตามฐานะของตนของตนส่วนอริยสัจก็ประเภทหนึ่งเกี่ยวกับทุกข์ทั้ง 5 ภพนี่โลดเนาะซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะทางยังมีอีกทาง ทุกข์ที่เป็นขึ้นกับใจเพราะอํานาจของจิตเหล่าเพียงลุ่มล้อมจิตใจขึ้นเดียวกับไปแล้วหาวิธีอุบายแก้ไขเป็นเองเช่นเดียวกับผู้หาวิถีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพร เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญธรรมเช่นเราทั้งหลายที่มาอบรมณบัดนี้คือว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระงับกับทุกข์ภายในใจนี้ให้หมดไปเพราะอํานาจแห่งการอดทนจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบแห่งเยือกเย็นถึงความทุกข์ก็จะคลายขึ้น ภูมิไมตรีที่จะทําใจให้มีความสงบเพื่อยับทุกข์ภายในใจนี้สรุปคําย่อๆได้แก่การภาวนาตามที่เคยอธิบายเข้าไปดีพยายามสอดส่องมองดูจิตใจให้ตั้งมั่นที่เป็นไปด้วยความคิดธรรมตรงโดยมากก็คงไปในทางที่ทั่วภูมิได้ทางที่จะทําสมความทุกข์ บรรลุภาวะนั้นเราพยายามต่อตรองจิตใจคณิกนั้นโดยด้วยกระทิและขุกมรรคด้วยธรรมบริกรรมดำเนินให้ใจหลีกบทธรรมมีพุทธโอเป็นต้นประกอบมีเป็นอุบายวิธีผุกมรรคจิตใจให้เป็นผู้จะแสวงหาเรื่องของทุกข์มาขอยลตนเองด้วยบทธรรมและด้วยกระทิ การเมื่อมีเครื่องผูกมัดมีเครื่องกำกับรักษาจะเป็นไปเพื่อสุขภาพไม่แสวงแสวงหาความนุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชอะไรว่าเมื่อดําเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุขเริ่มแต่ความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นต่ํา เป็นกระทั่งถึงความสุขอันสูงสุดเรียกว่าเป็นนิพพานพ้นจากเครื่องความทุกข์ใดๆทั้งนั้นจักปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกข์ทุกข์แท้ทุกข์อย่างนี้คือยังได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเนื่องจากจิตธรรมธุระกันได้เป็นเดียวกับคนที่ทํางานทั้งวันทั้งคืน ไม่มีเวลาพอพอนั้นต้องระลึกธรรมเรื่องของใจที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการปรุงการปรุงการคิดเรื่องอดีตอนาคตมีขวากทั้งนี้เวียนแล้วตั้งแต่เป็นภาระของใจที่จะต้องรับผิดชอบฉะนั้นเรื่องความทุกข์จึงเป็นใต้ภายในใจแค่จะพูดได้ว่าอย่างนี้ก็แล้ว ข้องานของใจมีอย่างนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างในทำนองนี้เถิดดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทํากันเหล่าให้เป็นไปเพื่อทําแบบนี้ก็คือเพื่อปล่อยวางคือละหน้าที่ที่เป็นเป็นคิดเคยคิดอันเป็นภาระนั้นๆเสียทั่วระยะอันเพื่อให้จิตได้ตรงตัวอยู่คือเอกจิตเอกธรรมไม่เกี่ยวกับกิเลสนาทีแล้วทําสงบสุข ความเลือกเปลี่ยนภารกิจกระทําเกิดขึ้นในใจเดิมนั้นอุบายวิธีที่จะทําใจให้สงบทุกๆวิธีนี้ท่านเรียกว่ามรรคปฏิหารดําเนินหรือวิธีการธรรมสมุทัยทิฏฐิการสังสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะระงับลงได้นิโรธ ก็ควรมีความเยือกเย็นขึ้นภายในใจเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นกับความฟุ้งเฟ้อนั้นได้ดับดือนไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้ปล่อยวางธุระหน้าที่เหลือแต่ความนี้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกโลกหรือแบบ เราๆเนี่ยถ้าหนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความเข้าพระถ้าจะไม่เคยเห็นหน้าพระธรรมว่าเป็นหน้าเป็นนิสัยก็จะได้ปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับธรรมทั้งนะทั้งพระพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปธรรมสังขารอย่างไรก็จะนำปรากฏองค์ของท่านขึ้นในขณะที่จิตทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับ เอาตามระลึกฉะนั้นธรรมที่กล่าวเป็นธรรมหลับรองไว้ว่าโยธมังปะปะติโสมังปะปะตินะเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถือว่าเห็นดาตะทุกข์เพราะฉะนั้นจึงควรจะกล่าวได้อย่างได้จิตติดกับใจของเราทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์ พระธรรมคือธรรมชาติที่อัตตจักรเกิดขึ้นจากการที่บริบทยเหล่านั้นพระสงฆ์คือเจ้าของแห่งความมวยจิตและพระธรรมอนิจจังนั้นเมื่อเราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามเพียงได้ก้าวเข้าสู่กระเสอแห่งความสงบนั้นเรียกว่าเราได้เข้าถึงถ่ายทานหรือลุ่มของเราแห่งพระภิกษุใจโดยปริยายนี้ จึงอำนวยให้มีความสงบเยือกเย็นมากเท่าไหร่นักก็ค้ากันกับมากเราได้มองถึงอภิเทศก์ทําทางจะทําอย่างนั้นอันแค่คิดท่านนี้จะเป็นอย่างจึงใจได้ถอดถอนภาระเคลื่อนสถ่วงจิตใจออก มากโดยวิถีอธิบัตออกให้มากเท่าใดใครยิ่งจะทรงอํานาจวาสนาเห็นธรรมชาติที่ใจนั้นว่าเป็นของมึงคุณ 5 ขึ้นภายในตัวของเราและจะรู้ว่าสุดแห่งความสุขธรรมเหล่านั้น ได้แต่จุดแห่งใจที่ทรงไว้ซึ่งความเหมาะเจี้ยมวงนี้มูลแห่งของความมีคุณค่าแห่งใจจะเริ่มปรากฏขึ้นในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละท่านโดยลําดับไปทั้งนี้จนถึงขั้นมีคุณค่ายิ่งหาอันใดเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุแห่งนี้เมื่อกิเลสได้สูญสิ้นไปจากจิตใจ ทรงไว้ซึ่งวิมุตติโทษภายในใจอย่างนั้นแหละผู้นั้นแลเป็นผู้มีคุณค่าเหนือใดโลกทานและเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกในภายโลกทานได้ด้วยจะไม่มีสมบัติใดๆยิ่งกว่าใจที่ปล้นแล้วสักเรื่องสุขทรวงทั้งหลายทรงไว้ซึ่งวิมุตติอธิการุภาพภายในตัวและทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยซึ่งถึงภายในใจ นั่นแหละธรรมเนียมว่าแก่มหาสมบัติลึกแก่ตนอัตถิมหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเปรียบเถาะกับจิตที่บริสุทธิ์โทโดยซึ่งเป็นภายในใจเองอุปธรรมนิโลธคือคําดับผลิตแห่งจิตนั้นเราจะไม่ต้องสถาปนาที่ไหนและพระพุทธเจ้าจะยังทรงทรัพย์คุณอยู่ก็ตามเราจะไม่ มีความจําเป็นอันใดเบอถือว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศกระดาษของเราแล้วเราจะต้องไปค้นถามท่านถ้าทําปฏิบัติให้ถึงนี้จะไม่มีในขณะจิตเพราะในขณะจิตทั้งท่านที่จิตทนไปโดยซึ่งทางนั้นเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าสันธิธิโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสมบัติภูมิดําเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นซึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าอกาลิโก ก็ทําเป็นธรรมนูญดีกับส่วนเป็นผู้อธิบดีของท่านเองมีปัตติโกแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในสายเรียนปัจจุบันเมดิตะโบวินดิธรรมว่าท่านครูรูนั้นจะได้รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองอยากจะไปถามพฤติจักรที่ไหน ก็ธรรมะสันธิธิโกเป็นธรรมที่สมบูรณ์ในภายในผู้ปฏิบัติที่ได้รู้เรื่องนี้ชัดผู้นั้น 1 เรื่องของทุกข์ตํามุทัยนิโรธนะก็เป็นอรรถนาท่านผู้นั้นได้เรียนตลอดไม่มีอันใดตกค้างทุกข์ก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุกข์เรื่อง อันสมุฏฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ถอดถอนได้ด้วยอํานาจของมรรคที่พิจารณาที่ประกอบเมื่อญาณทัศน์อันเป็นเครื่องกันเป็นธรรมเครื่องสนองมรรคทะปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ได้ดําเนินโดยสมุนนะก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเรานี้ก็เป็นที่เรียนจบอริยสัจจ์ 4 โดยสมุนภายในใจ กลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอันนี้แม้ตัวให้ธรรมดาท่านก็เป็นบททรลองยังพยายามดำเนินตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าตามฐานะและกำลังความสามารถของเราจากต้นอริยสัจอันใดก็ตามคืออริยสัจมี 3 ฐานะหัวอริยสัจในครอบครัวก็อริยสัจของนักปวดของ นั้นปฏิบัติก็เรื่องด้านนักอายตภยกับส่วนต่ําก็มีส่วนสูงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราก็ดูในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอายตกับในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอายตเพื่อความอดทนก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปหายึดยืนเทศยึดยืนคบธรรมนิเทศปฏิบัติมาจากท่านผู้ใดจะประดิษฐ์ขึ้นมาปฏิบัติได้ทั้งเองทั้งนั้นเอง อันอันเป็นที่พึงพอใจจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็นอํานาจดําเนินขอแต่การดําเนินทั้งหลั่งให้เป็นตามเมธาที่พระพุทธเจ้าทรงทิ้งไว้เท่านั้นฉะนั้นหน้าที่อวัถาและพระธรรมาธิปไตยนี้ขอขออํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดถึงพระพุทธเจ้าขอทําประสงค์จึงบรรดาลให้ท่านยรรคปฏิบัตินั้นเอาไม่ถึงทําได้ Nolte nolte nolte nolte